ไม่ให้ติดในเรื่องเลิกงามยามดีหรือน้ำมนต์ไม่ให้หลงหลายเนริษเดชรวมทั้งสอนให้มนุษย์มีจุดนัดพบกันที่ศีลธรรมดังได้กล่าวมาแล้วในบทต้นๆของหนังสือนี้อาจชี้ได้ว่าการที่ทรงสั่งสอนไว้ยังมีคุณลักษณะพิเศษอันน่าชื่นชมเช่นนั้นก็พระงคงใช้หลักธรรมะธิปไตยคือถือธรรมเป็นข้อใหญ่ข้อเดียวความดีงามน่าเลื่อมใสต่างๆก็ตามมา